ตอนที่สี่หาคนทวงหนี้แม่ไม้ทั้งสองร้องให้ปานจะขาดใจจนซุนจิ๋วหลิงพ่อยน้ำตาไหลาตามไปด้วยเมื่อเห็นท่าไม่ดีอาและหลานคู่นี้จึงไม่กล้าเกลี้ยกล่อมต่อหากทั้งสองคนพากันไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายพร้อมกันตระกูลโจคงได้ขายหน้ากันคราวใหญ่แน่น้องสะพายเล็กหลานสะพายพวกเจ้าพักผ่อนก่อนเถอะโจเตอสุ้นทําตัวเป็นคนใจกว้างรีบเ อ, อ่ยปากเป็นคนแรกพวกเราขอตัวกลับก่อนเรื่องของพี่ใหญ่ไม่ต้องกังวลมีค่าอยู่ทั้งคน หวังพึ่งเขาหรืองานศพของโจเตย์ชางล้วนเป็นทางโรงงานที่จัดการให้ทั้งนั้นส่วนเรื่องจัดเตรียมศาลาพักศพก็เป็นโจเว่หมิ่ที่จัดการแล้วน้องชายแท้ๆอย่างเขานอกจากจะดีแต่ปากแล้วยังทําอะไรเป็นอีกลาบากน้องรองแล้วพวกเจ้าเองก็เหนื่อยมามากกลับบ้านไปพักผ่อนกันเถอะซูมานอินเอ๋ยสัง ก, ารรากับเป็นผู้อาวุโส ค, คนหนึ่งโจเว่หมิ่กําลังรู้สึกไม่พอใจอยู่ในใจแต่แล้วซูมานอินก็เสริมขึ้นมาอีกประโยค เว่ยหมินจิวหลิงพวกเจ้าสองคนออกแรงไปมากแม่เล็กจำได้โจเว่ยหมินชะงักไปครู่หนึ่งไม่รู้เพราะเหตุใดประโยคที่พูดออกมาอย่างเรียบง่ายนี้กลับทําให้เขารู้สึกตื้นตันใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกจะล้อเล่นไปได้อย่างไรพี่สะพายใหญ่ก็เปรียตเสมือนแม่ในห้องนี้มีนางเพียงคนเดียวที่มีลำดับอาวุโสสูงสุดคําพูดของนางจะไม่มีน้ําหนักได้อย่างไรเมื่อโจเว่ยหมินเห็นสองสามีภ ร, รยาโจเตอสุนลุกขึ้นจากขอบเตียงข้างเขาก็ลุกขึ้นเตรียมจะเดินตามออกไปเช่นกัน เว่าพอถึงประตูหวังเกว่าฮากลับปิดประตูจากด้านในทันทีพวกจะกลับไปก่อนเธอสองแม่ลูกนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยข้าจะทําอะไรให้พวกนางกินสักหน่อยแม่ของเว่ยกัวช่างรอบคอบจริงๆเกวยาฮ่าเจ้าก็อยู่ดูแลพวกนางให้ดีนะที่บ้านมีข้าอยู่ไม่ต้องห่วงเจเว่ยหมินมองดูสองสามีภรรยาที่รับส่งบทกันเป็นปีเป็นขุยแล้วก็ได้แต่ขุนเครื่องใจในอกสุดท้ายเขาก็ยังอ่อนหัดเกินไปจริงๆเว่ยหมินพวกเรากลับบ้านกันเถอะตาฮวาและเสี่ยวสวี่ยังไม่ได้กินข้าวเลย ซุนจิวหลิงกังวลว่าลูกทั้งสองจะหิวจึงเข้าไปเร่งโจวเว่ยหมินผู้เป็นสามีผลที่ได้คือถูกโจวเว่ยหมินถลึงตาใส่ชุดใหญ่กินกินรู้จักแต่กินอดสักมือจะตายหรือไงพูดจบเขาก็ไม่รอภรรยาสะบัดก้นเดินเอามือเผลอหลังพังเตะน้นตีนี้ออกจากลานบ้านไปซุนจิวหลิงยืนอึงน้ำไม่เข้าใจว่าทําไมสามีถึงได้โมโหเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจิวหลิงอย่าไปใส่ใจเลยพี่ใหญ่เพิ่งจัไปเว่ยหมินเลยอารมณ์ไม่ค่อยดีอดทนหน่อยนะ ซุนจิวหลิงพยักหน้าด้วยความซาบซึ้งข้าทราบข่าอัศัยขอบคุณมากนะคะซูม่านอินและฉินเสี่ยวยาวไม่คาดคิดว่าหวังเกวฮานคนนี้จะรับมือยากขนาดนี้แต่ต้องยอมรับว่าทักษาการเป็นแม่บ้านของวังเกวฮานนั้นเชี่ยวชาญมากจริงๆเขตที่พักอาศัยของพนักงานมีขนาดไม่ใหญ่ห้องครัวยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่แต่หวังเกวฮานที่รูปร่างอ้วนทวนกลับสามารถเคลื่อนไหวในนั้นได้อย่างคล่องแคลว่วถึงขนาดที่แววเสียงนางฮําเพลงเบาๆออกมาด้วยซ้ํานางป่วยหรือเปล่า มาทำกับข้าให้คนอื่นแล้วยังดีใจขนาดนี้ชินเสียวเยเวิร์ไม่ได้ที่จะบ่นออกมาอย่างไม่เข้าใจท่านว่าข้าควรไปเฝ้าดูหน่อยไหมเกิดนางวังยาพิษพวกเราจะทำอย่างไรซูมานอินมองชินเสียวเยเวพลางหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกคิดอะไรของเจ้าในบ้านมีกันอยู่แค่สามคนหากพวกเราเป็นอะไรไปนางจะลอยนวลได้หรือวางใจเถอะตอนนี้นางอยากจะเอาใจพวกเราจนตัวสั่น ซูมานอินชีไปที่ตู้ที่ล็อกไว้อย่างแน่นหนาบนเตียงข้างทุกคนต่างก็จ้องเงินชดเชยของตาเท่าโจกับตําแหน่งงานของเขาอยู่น่าสิชินเสียวเย้ากับพลีตาปิด ป, ปริบถามเสียงเบาด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นและสามีของท่านมีเงินชดเชยเท่าไหร่หรือซูมานอินชูแปดนิ้วขึ้นมาชินเสี่ยวเยว่าโตทันทีอุทานเสียงเบาอย่างตกใจแปดหมื่นเยอะขนาดนี้เลยหรือคิดอะไรอยู่นี่มันยุแปดศูนนะแปดพันซูมานอินสายหน้า 800อะไรนะแค่ชินเสี่ยวเย่เว่ร้องอุทานออกมาคำหนึ่งซูมานอินรีกะครุ ป, ปากนางไว้ทันควันแม่คุณเบาเสียงหน่อยชินเสี่ยวเย่เว่พยักหน้าสูมานอินจึงยอมปล่อยมือแค่แปดร้อหยวนเองหรือนั่นมันหนึ่งชีวิตเลยนะเงินเดือนเขาเดือนละสี่บหยวน20ิบเดือนก็แปดร้อยพอดีซูมานอินอธิบายเสียงเบานี่เป็นกฎไม่ให้มากไปกว่านี้และไม่ให้น้อยลงชินเสี่ยวเย่เว่จ้องมองเพื่อนสนิท ไม่เสียแรงที่แกทะลูมิติมาเป็นแม่คนจริงๆนโยบายยุคแปพวกนี้แกทําความเข้าใจได้วไวเหลือเกินในขณะที่ทั้งสองกําลังคุยกันอยู่นั้นหวังเปี้ยฮาก็ทําอาหารเสร็จพอดีมีโจ๊กข้าวขาวหมั่นโถข้าวและยังมีผัดผักอีกสองจานผักดงหนึ่งถ้วยและมีเต้าหู้ยี้วางอยู่ด้านบนอีกหนึ่งชิ้นเพื่อสนิททั้งสองเหลือบมองแวบหนึ่งพูดตามตรงแม้อาหารพวกนี้จะส่งกลิ่นหอมไม่เลวแต่มันช่างจุดชื้นไร้เนื้อหนังเสียจริง เมื่อเห็นทั้งสองคนนั่งนิ่งไม่ขยับหวังเกว่าฮาก็นึกว่าพวกนางยังคงโศกเศร้าอยู่จึงเดินเข้ามาเกลี้ยกล่อมโทษพี่สะพายเลยกับหลานสะพายทําใจให้สบายเถอะจะกองทับต้องเดินด้วยท้องนะถ้าพวกเจ้าเป็นอะไรไปพี่เตอ๋อช่างกับหลานไว้ตรงที่อยู่ทางโน้นจะนอนตายตาไม่หลับเอานะอะไรนะคนตายแล้วยังจะนอนไม่หลับอีกเหรอชินเสียวเย้าให้คะแนนคำตอบใจของหวังเกว่าในใจว่าสอบตก ซูมานอินถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะดึงมือฉินเสี่ยวเยเว่มาที่โตอาหารไม่กระตือรือรน้นเรื่องกินแสดงว่าความคิดมีปัญหาเสี่ยวเยเว่อย่าให้เสียความปรารถนาดีของอสภัยรองของเจ้าเลยซูมานอินหยิบมันโถขาวขึ้นมาลูกหนึ่งส่งให้เพื่อนกินเถอกินให้อิ่มถึงจะมีแรงไปจัดการธุระหวังเกว่ากำลังตักโจ๊กให้ทั้งสองคนพอได้ยินซูมานอินบอกว่ายังมีธุระต้องจัดการก็นึกสงสยัยจึงเอ่ยปากถามที่สภัยเล็กท่านมีธุระอะไรต้องจัดการนั้นหรือ ต้องการให้ข้าช่วยอะไรไหมซูมานอินโบกมือไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกไม่อยากรบกวนน้องสไปยหรอกจ้ะคนกันเองทั้งนั้นไม่รบกวนหรอกไม่รบกวนเลยถ้าลองพูดมาสิฉินเสียวยาวถือชามโจ๊กพางสดเสียงดังสู้พางชำเลืองมองหวังเกว่าฮ่าใหญ่ที่คนนี้ติดกับเพื่อนรักเข้าให้แล้วเธอตั้งแต่เต๋อชางจากไปข้าก็ไม่มีไรายได้เลยวันข้างหน้าชีวิตของพวกเราแม่ลูกคงจะลําบากแน่ๆ่ ซูมานอินทอดถอนใจน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลข้าคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างกับเสี่ยวเย่เว่แต่เงินชดเชยของเต๋อช่างมันน้อยเกินไปน้องสะพายเจ้าพอจะ้ะซูมานอินยังพูดไม่ทันจบหวังเกวฮาก็สายหน้าจนหัวแทบหลุดที่สะพายเล็กข้ากับเตอ๋อซุ่นไม่มีเงินหลอกนะท่านก็รู้ว่าเว่ยกัวกําลังเรียนมัธยมปลายต้องใช้เงินเยอะๆยะเลยเฮอร์ข้ารู้อยู่แล้วและถึงได้บอกในว่าไม่อยากรบกวนเจ้าซูมานอินหยิบหมันโถ ข, ขึ้นมากัดคําหนึ่งแล้วพึมพํากับตัวเอง ดูถ้าคงเหลือแค่ทางเดียวนี้แล้วละ่ะคําพูดที่ทิ้งท้ายไวค้ครึ่งๆกลางๆนี้ทำให้หวังเกื้อฮารู้สึกคันยุบยิบในใจจนทนไม่ไหวไม่ใช่สิพี่สะพายเล็กวิธีอื่นที่ท่านว่านะมันคืออะไรหรือซูมานอินเหลือบมองฉินเสี่ยวเยเว่พรางทําท่าทางเหมือนกําลังอดกลัน้นกินข้าวเถอะกินข้าวไม่พูดเรื่องนี้แล้วละ่ะหวังเกื้อฮายิ่งถูกกระตุ้นจนใจจะขาดโทวพี่สะพายเล็กท่านก็พูดมาเถอะสรุปแล้วมันคือทางไหนกันแน่ ซูมานอินทำหน้าลำบากใจส่วนชิ้นเสียวเยเว่ที่อยู่ข้างๆกระแอมออกมาเบาๆเผยหน้าขึ้นมาดวงตาทั้งสองข้างก็แดงก่ำราวกับลูกท้ออีกครั้งให้ข้าพูดเองเถอะคะแม่เขาอยากจะช่วยออกหน้าให้ข้าไปทวงเงินชดเชยหนึ่งพันหยวนของเว่ยตงกลับมาอะไรนะเงินชดเชยของเว่ยตงมีตั้งเยอะขนาดนั้นเชียวหรือหวังเกวฮานึกสงสัยในใจตอนที่ได้รับซองจดหมายมามันก็ไม่ได้หนาอะไรนี่นาในนั้นจะบรรจุเงินได้มากมายขนาดนั้นเลยหรือ ส่วนใหญ่คงจะเป็นธนบัตรใบสีแดงสินโอยขาดทุนเยยยับเลยท่วงสีจจหลานสไยอาสไยจะไปช่วยทวงกับเจ้าเองแต่นั่นมันบ้านเดิมของเสี่ยวเยเว่นะถ้านามไปทวงเองเกรงว่าจะถูกตราหน้าว่าอกตันยูเอาได้ซูมานอินชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจส่วนข้าแม้จะมีลำดับอาวุโสอยู่บ้างแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีบารมีพอ หากมีผู้อาวุโสที่มีหน้ามีตาและมีบารมีออกหน้าให้ต่อให้ทวงมาได้แค่ร้อยแปดิบหยวนพวกเราแม่ลูกก็ทราบสินใจมากแล้วละ่ะสมองของหวังเกว่หาฮามุนตี้วอย่างรวดเร็วใหญ่แม่ไมสองคนนี้ขอแค่ร้อยปสิหยวนก็พอใจแล้วงั้นส่วนที่เหลือที่ทวงมาได้ก็ตกเป็นของนางหมดเลยไม่ใช่หรือที่สไปย์เล็กหลานสไปยเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาสไปรเองหวังเกว่าฮาตบกหน้าอกรับคำข้าจะกลับบ้านไปตามอาสไปรรองของเจ้าเดี๋ยวนี้แหละและจะไปทวงเงินที่ตระกูลฉินให้เอง